ถ้ามีผู้เขาตั้งคำถามว่าทำไมเนาะเราทั้งหลายเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรทั้งๆ ท, ง ท, งที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้มาไม่ใช่น้อยพระองค์แล้วพระองค์เล่าเนี่ยนะอย่างเช่นถ้านับเก้าสิบประมาณเก้าสิบกลับมานี้พขมีพระพุทธเจ้าที่ปัสสีสิขีเวิสภู มาถึงกับนี้ก็มีพระพุทธเจ้ากากุสันทะโกนาคมณนะพระพุทธเจ้ากัสปะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึงองค์ปัจจุบันนี้ก็แหมมาเกิดรุ่นอะไรนะปลายฝนแล้วรุ่นปลายฝนเป็นคล้ายๆว่ารุ่นละอองฝนนะไม่ใช่ฝนแล้วแนะมเมล็ดฝนมันเริ่มสร้างซาเหลือแต่ละอองฝนน้องๆหยาดน้ําค้างนั่นแหละเมื่อไจะเปียกจะชุ่มล้วงนัน ถ้ามีผู้ทั้นคาถามว่าก่อนหน้านี้เราทําอะไรกันอยู่หนา ะ, ะคําตอบจริงๆแล้วไม่ยากเนี่ยนะแต่ว่าใจเราจะยอมรับหรือเปล่าพวานั้นคําตอบจริงๆก็คือว่าเราครบคนไม่เป็นนั่นเองนี่ะคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่สมควรครบสําหรับเราใครที่เป็นกาลยานามิตรสำหรับเราอ่า คำว่ากาลยานามิตรนี้ก็คือคนที่ทำประโยชน์นะนคำว่ามิตรนี้ก็คือผู้ที่เอื้อประโยชน์เข้าไปให้ผู้ที่น้อมนำประโยชน์เข้ามาให้เขาเรียกว่ามิตรนำประโยชน์ที่ดีเข้าไปให้ก็เรียกกาลยานามิตรเรียกว่ามิตรดีทีนี้คำว่ามิตรนี้คนแยกแยะไม่ถูกโดยมากนะแยกไม่ถูกเชื่อว่าคนที่ตามใจตัวคือมิตร นะใครก็ได้ที่ตามใจชั้นคนนั้นคือกาลยานามิตรของชั้นเพราะเขาเอาใจชั้นทุกอย่างเลยเขาตามตามใจชั้นหมดเลยบุคคลนั้นเรียกว่ากาลยานามิตรในความคิดของเรานนั้ถ้าคนที่เขาตามใจเราเนี่ก็ต้องดูว่าถ้าเราทําอกุศลแล้วเขาตามใจนีมนมน้มันหมายเขาว่าอย่างไงก็หมายว่าปาประมิตรชัดๆเลยนะสอพลอคั้นสอพลอพนาวานที่ชักชวนกันไปไม่ดี ผู้รวมรวมแล้วนะที่เราไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความเจริญก็คือเนื่องจากว่าเราขาดกัลยาณมิตรหรือเราไม่รู้จักกัลยาณมิตรนั่นเองเมื่อเราขาดกัลยาณมิตรหรือเราไม่รู้จักกัลยาณมิตรเราก็ไม่ได้คบกัลยาณมิตรเมื่อเราไม่ได้คบกัลยาณมิตรประโยชน์ที่พึงจะได้เราก็เสื่อมนะประโยชน์ที่พึงได้เราก็เสื่อมอย่างเช่นคําถามว่าแม้แต่ชาตินี้เองเนี่ยนะ ชาตินี้ของเราทั้งหลายเราอยู่กับปาประมิตรมากหรืออยู่กับกาลยานามิตรมากถ้าตั้งคําถามบอกว่าเอ๊ะเราก็อยู่ในเวทวงของคนที่เรารักเราชอบหมดเลยนะจะว่าเราอยู่กับพวกปาประมิตรได้ยังไงเพราะแต่ละคนคนรอบข้างเราครอบครัวเราที่ทํางานของเราพรรคพวกของเรามีแต่คนดีทั้งนั้นเลยมาหาว่าเราอยู่กับปาประมิตรได้ยังไงใช่ไหมเขามีแต่คนดีเขาเอาใจเราทุกอย่างเขาช่วยเหลือเราทุกอย่าง นะยามร้อนเขาก็ช่วยให้เราเย็นยามเย็นเขาก็ช่วยให้เราอบอุ่นเป็นต้นเอาบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าเขาเป็นเขาไม่ใช่กัลยาณมิตรหรือบอกว่าอาจจะเป็นกัลยาณมิตรบ้างแต่ว่าน้อยเกินไปไม่พอที่จะพ้นทุกข์กว่าท่านั น, น เ, เราต้องเข้าใจคําว่ากัลยาณมิตรให้ดีๆให้ให้เพียงพอเพราะว่าเหตุผลอันหนึ่งที่เราคบปาประมิตรมากเนี่ยนะถามว่าดูจากอะไร รู้จักว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะชีวิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยโดยมากเราไม่ค่อยเก็บมาชื่นใจสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเก็บมาสบายใจสักเท่าไหร่ชีวิตที่ผ่านมานะรวมๆคนที่ล่วงการผ่านวัยใช้ชีวิตมาเยอะรวมๆแล้วก็แม้กระทั่งที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงที่ตัวเองคิดว่าคัดสำดีแล้วแต่ว่าตอนปลายๆตอนได้ท้ายก็บอกเอ๊ะทไมทาไมไม่มีความสุขเลยเนี่ยนะนะ เพราะว่าถ้าสิ่งนั้นที่ทําดีแล้วก็ทําถูกต้องผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นความสุขอย่างเดียวแต่เมื่อทําไมยิ่งทํายิ่งยิ่งทํายิ่งขวนขวายทําไมเรายิ่งเดือดร้อนขึ้นเดือดร้อนขึ้นก็ขอให้รู้เถอะว่านั่นไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการครบกัลยาณมิตรเนี่ยนะเพราะว่าประโยชน์และความสุขที่พึงจะได้ก็ไม่ได้เห็นนะดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วไม่ดีนิย้อนกลับมาอีกครั้งว่าเพราะเราไม่ได้คบกัลยาณมิตร การกระทําของเราเราระลึกย้อนหลังแล้วก็ไม่สบายใจคําที่เราพูดเราระลึกย้อนหลังแล้วเราก็ไม่สบายใจความคิดของเราโดยมากที่เราคิดเนี่ยนะคิดแล้ววันหลังก็ลําบากใจว่าทําไมเราต้องคิดอย่างนั้นด้วยทําไมเราต้องคิดอย่างนั้นความชั่วทางกายวาจาและใจทุจริตกรรมทางกายและวาจาใจคําว่าทุจริตในทางนี้ไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายอ่ะนะ นิยามของทุจริตตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายแต่แปลว่าสิ่งที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนใจสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความอึดอัดคับแค้นใจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ครบกัลยาณมิตรนั่นเองอเมื่อเราไม่ได้ครบกัลยาณมิตรซึ่งผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่ใช่พระปฏิจ เ, จกกเจ้า บุคคลที่เหลือเหลือจากสองท่านเนี่ยนะบุคคลที่เหลือสอาศัยกาลยานมิตรทั้งหมดเลยเนะถามว่ากาลยานมิตรในพระาศาสนาของเรานี่คือใครก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นกาลยานมิตรผู้ดีที่สุดเนี่ยนะไม่มีกาลยานมิตรท่านใดจะดีกว่านี้อีกแล้วนะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่เรียกว่า เป็นมิตรยิ่งกว่ามิตรก็เนื่องจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ดีจริงๆแล้วก็ชักชวนให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในคุณงามความดีแะให้กาจัดสิ่งที่เป็นพิษภัยทุกโทษออกไปทั้งหมดให้แล้วก็หันเหเราทั้งหลายเข้ามาหาประโยชน์ทุกประการแต่ที่สำคัญว่าแล้วชีวิตจริงของเราเนี่ยเราคบกับพระพุทธเจ้าบ่อยไหมนะบ่อยไหมมากไหม อ่คำว่าบ่อยคำว่ามากก็ดูว่าอย่างสมมุติถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็ค่อนข้างคิดถึงบ่อยใช่ไหมสมมติถ้าเรามีอะไรกังวลอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีใจจดจ่อคิดกับเรื่องนั้นได้บ่อยๆเราจะไปเที่ยวที่ไหนที่เราชอบเราก็คิดถึงสถานที่ตรงนั้นค่อนข้างบ่อยๆฉันใดถ้าเราครบกาลยานในมิตรคือพระพุทธเจ้าเราครบบ่อยขนาดนั้นไหมอันนั้นในชีวิตจริงตลอดชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏอันยืดยาวนาน เราครบพระพุทธเจ้ามากไหมแต่เราครบกับสาวกของพระพุทธเจ้ามากไหมที่จะแนะนำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อน้อยเราก็รู้ว่าเราห่างพระพุทธเจ้าแน่นอนเมื่อเราห่างพระพุทธเจ้าขนาดนั้นที่เราไม่เจริญงอกเงยไม่เจริญงอกงามไม่บรรลุมรรคผลนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่สมควรกัเหตุอย่างยิ่งเพราะเราห่างกลยานามิตรห่างศาสตรบุรุษห่าง พระพุทธเจ้าเพราะะฉนั้นเราก็อยากให้เรามาพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้าความเข้าใจในพระพุทธเจ้าของเราก็จะได้มีมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจในพุทธประสงค์มากขึ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆจะว่ายากก็ยากแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจพระพุทธเจ้ามากเราก็จะไม่บอกว่ายากเหมือนอย่างว่าถ้าเรารู้จักยาดีพอ เห็นคุณคประโยชน์ของยาที่รักษาโรคได้อย่างเด็ดขาดทวารลิ้นอาจจะมีรสขมบ้างแต่ทวารกายและสบายหมดเลยเนะอาจจะว่าดูขมบ้างแต่ว่าหายโรคหายภัยฉันใดคำของพระพุทธเจ้าทั้งหายเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็จะถากแล้วถากอีกก็จะจนกว่าจะได้ดีนะจนกว่าจะประสบแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียว เมื่อใดที่เขาไม่เสื่อมแล้วนั่นแหละพระองค์ก็จะปล่อยไปนะพระองค์ก็จะปล่อยเหมือนอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะผู้ที่หวังดีต่อเด็กโดยที่เรียกว่าไม่ตามใจเด็กเพราะว่าอยากให้เด็กนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญทีนี้ถามว่าเลี้ยงเด็กกับตามใจเด็กนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันตามใจเด็กก็แล้วแต่จะเด็กนะปัญญาแบบเด็กๆก็ปล่อยให้เด็กๆคิดทําแบบเด็กๆ มันก็คือเด็กวันยังค่ำก็ไม่เรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กน่าจะเรียกว่าผู้ที่ตามใจเด็กหรือบริวารของเด็กเด็กกว่าเด็กอีกานนะพระก็คนที่ตามใจเด็กแล้วแต่เด็กก็คือคนที่เด็กกว่าเด็กอีกครั้งหนึ่งนะน้องๆเด็กว่างั้นก็ไปเ่าเบรบ่เต็มทีทางความคิดนะนะเพราะว่าเชื่อแต่เด็กฉันใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นกับเด็กอ่อน ะนะพระองค์ก็ประคอง บ, บางช่วงก็ประคับประคองแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยแหละเด็กกลืนยาพิษเข้าไปท่านจะทําไงหรือกลืนของมีคมเข้าไปในปากะนะปะอีกมือหนึ่งก็กอดไว้แน่นนะอีกมือหนึ่งก็เอามือล้วงเลือดจะอาบบ้างก็ต้องยอมเพราะว่านั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เด็กจนถึงขนาดเรียกว่าผู้ที่เลี้ยงเด็กเต็มที่จนว่าเด็กช่วยเหลือตัวเองได้โดยประการทั้งปวง เมื่อนั้นก็สบายใจได้เลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้ฉันใดในพระศาสนานี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคําสอนจนเห็นถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วนี่พระองค์จะไม่ได้ตามจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรเพราะถือว่าท่านเหล่านั้นเห็นอริยสัจแล้วท่านเหล่านั้นพ้นทุกข์แล้วท่านเหล่านั้นทําที่สุดแห่งทุกข์เกือบประสบเกือบพบเกือบเห็นแล้วเมื่อท่าน เ, เกือบเป็นท้าทหารแล้วพรกองก็ไม่ต้องตั้มชี้ท่ำชัยอะไรเพียงแต่ให้เรียกว่ากระตุ้นเป็นครั้งคราวว่างั้นอ่ะเรียกว่าพูดตักเตือนเป็นครั้งคราวให้กําลังใจเป็นครั้งคราวเป็นต้นก็ดูแต่ความเหมาะสมเท่านั้นเองแต่จะไม่ลักษณะจั้มชี้จั้มชัยฉันไหนผู้ที่ศึกษาพระธรรมคาสอนในเบื้องต้นใหม่ๆเนี่ยนะรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนบอกเออเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยร่วงเกินเรามากไปมั้ง ทําไมจัดแจงเราขนาดนี้ทํำไมให้เราละอันนั้นอันนี้เราก็ชอบก็สอนให้เราละอีกแล้วอันนั้นเราก็ว่ามันดีเอาก็ให้เราละอีกแล้วเป็นต้นเหมือนก็ว่าทําไมมาขวางความสุขเราเหลือเกินอย่า ง, งนะี้สำหรับบางคนนั้นจะมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เข้าใจเจตนารม์ของพระพุทธเจ้าการละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเราก็ไม่มี คื อ, อาถามว่าดูจากอะไรดูจากว่าความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมเราไม่ค่อยมีถ้ากุศลไม่ค่อยเจริญนี่ก็แปลว่าเราไม่ได้คพบพระพุทธเจ้าจริงอะแล้วละอกุศลไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยได้ละอกุศลเกลือกกล้วยอยู่กับบาปและอกุศลก็แสดงว่าไม่ใช่ระครบพระพุทธเจ้าจริงอันนี้เป็นเครื่องวัดซึ่งวันนี้จะพูดถึงภาเวตปรธรรมเกี่ยวกับเรื่องการละกับการเจริญครับเป็นเครื่องวัดผลว่า เราอยู่ในพระศาสนาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราละอะไรได้บ้างเราเจริญอะไรไปบ้างเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่าได้บ้างถ้าเราไม่ค่อยได้ละอกุศลหรืออกุศลธรรมละไม่ค่อยได้กุศลธรรมก็ไม่เจริญไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นก็แปลว่าใจของเราจริงๆแล้วค่อนข้างห่างเหินจากพระพุทธเจ้ามีใจห่างเหินเนี่ยนะ เมื่อใจหานเหินกับพระพุทธเจ้าอโลภก็ไม่ค่อยได้ทํากิจอโทสะก็ไม่ได้ทํากิจอโมหะก็ไม่ค่อยเจริญอโลภอโทสะอโมหะไม่เจริญอกุศลธรรมทั้งหลายที่สมควรละที่พึงละที่จําต้องละก็ละได้ไม่มากเนี่ยนะก็ละได้ไม่สมควรเพราะฉะงานศึกษาพระธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อให้ละสิ่งที่ควรละแล้วก็ให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ ที่นี้มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าหากว่าอากุศลธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ละไม่ได้อกุศลธรรมเนี่ยนะถ้าละแล้วเนี่ยเดือดร้อนถ้าละแล้วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลําบากเธอสรุปว่าเดือดร้อนโดยประการทั้งปวงเป็นสิ่งที่ละไม่ได้ละแล้วเสียหายทําลายประโยชน์ทั้งพบนี้และพบต่อๆไปเสียหายอย่างเดียวพระองค์สอนไหมคิดว่า พระองค์ก็ไม่สอนแต่เนื่องจากว่าอาคุโสธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ละได้ละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนพระองค์จึงสอนให้เราละเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเจตนารมณ์ตรงนี้ของพระพุทธเจ้าเราก็จะน้อมไปเพื่อการละในสิ่งที่ควรละที่จริงเขาบอกว่าหลายคนเขาบอกว่า เออละกิเลนี่มันดีแต่จริงๆแล้วนักคำถามว่ามีอัตตะสัมมาปณิที่แล้วก็มีความมั่นใจว่าเราละได้จริงๆเนี่ยนะย้ํากับตัวเองเสมอว่าเราละได้มีความสามารถพอที่จะละได้มั่นใจว่าละได้แล้วก็สมาทานว่าต้องละอนะถ้าถ้าทําลักษณะนั้นก็เป็นคนที่สมาทานที่จะละสมุทัยสัตว์อัน่ะมันจะต้องมีแบบคล้ายๆเอ๊ะทำไมเราละไม่ได้ทําไมเราละไม่ได้ บางทีเนี่ยคำถามอันนี้มันแล้วจจริงเคยคิดจะละจริงหรือเปล่ า, านะน่ะอันนี้ต้องต้องพยายามจับมาเข้าใจแล้วบอกเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องละนี่คือสิ่งที่เราต้องละเมื่อเข้าใจคําว่าละแล้วไออุปกรณ์ที่ทําให้ละมีอะไรบ้างเครื่องมือในการละไม่ใช่ว่าละง่ายๆนะเหมือนปลดหนี้อ่ะถ้าไม่มีทรัพย์มาเอาอะไรไปปลดหนี้นะก็ต้องมีอริยทรัพย์พอที่จะปลดหนี้ปลดบาปปลดอกุศลปลดความเศร้ามองออกไปจาก จิตใจฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะแล้ว อ, อีกพุทธพจน์กลุ่มหนึ่งบอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจริญแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและสัมรายะพและกุศลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็ไม่สอนให้เจริญแต่เนื่องจากว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญได้เจริญแล้วนามาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันและ สัมปรายภพนำมาเสื่อความสุขโสมนัสดีโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงสอนให้เจริญสรุปว่า อ, อากุศลเนี่ยเลวเรา้ายมากกุศล น, นี้ดีเยี่ยมถ้าเปรียบอุปมาบางแห่งอากุศลพระองค์บอกว่าเหมือนลิ่มสลักบางสูตรพระองค์บอกว่าอากุศลเนี่ยนะมันเหมือนกับลูกศรที่ปักอยู่ในใจบางสูตรบอกว่าอากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกับเสี้ยนน้ำ